จะเอาความคิดสกรปรกออกจากหัวได้อย่างไรถามมีความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างที่ตกค้างอยู่ในใจรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความนึกคิดผิดๆแต่ก็ตัดไม่ได้เหมือนทำยังไงก็ล้างสิ่งสกรปรกออกจากใจไม่หมดอย่างนี้ควรทำอย่างไรดีครับตอบตอนที่พยายามจะเปลี่ยนความคิด และมันไม่ยอมเปลี่ยนตามที่เราต้องการเนี่ยละครับเป็นโอกาสทองที่เราจะเห็นความจริงอันเป็นหนึ่งในแก่นความรู้ทางพุทธศาสนานั่นคือความคิดไม่ใช่ของเราความคิดไม่ใช่สิ่งที่บัญชาควบคุมได้ตามปรารถนาความคิดเป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมจอมารบกวนจิตใจชั่วคราวหรือสรุปย่นย่อคือความคิดเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในความคิดเพราะฉะนั้นแทนการบังคับควบคุมหรือตั้งใจให้มันหายไปตามปรารถนาเราต้องเข้าใจกฎอนัตตาคือสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ความคิดแปรไปในทางที่ดีและสำคัญคือคุณต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนรวมทั้งให้เวลาอนัตตาเขาปรับเปลี่ยนสภาพกันบ้าง อย่าคาดหวังว่าทุกสิ่งจะรวบรัดรวดเร็วแบบเสกปุ๊บได้ปั๊บเพราะถ้าเสกได้ดังใจก็แปลว่าความคิดเป็นสมบัติของคุณความคิดเป็นอัตตาของคุณจริงดังอุปาทานเหตุปัจจัยที่จะเปลี่ยนความคิดด้านร้ายให้กลายเป็นด้านดีมีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อความคิดผิดๆเกิดขึ้นก็ให้ตรหนัก ให้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอย่าปฏิเสธอย่าหลอกตัวเองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นการยอมรับตามจริงจะทำให้สติเกิดเต็มตัวและมีกำลังมากพอจะเห็นตามจริงในขั้นต่อๆไป 2. เมื่อยอมรับได้เห็นตามจริงก็อย่าไปฝืนอย่าไปโทษตัวเองอย่าด่าตัวเองให้เกิดความทรมานใจ เพราะการจมปลักอยู่กับความทรมานใจและความรู้สึกผิดไม่เลิกรานั้นแทนที่จะเป็นผลดีกลับตอกย้ำให้อากุศลจิตเติบโตขึ้นเอาแค่ยอมรับตามจริงไม่ต้องด่าตัวเองไม่ต้องหาทางกำจัดหรือขับไล่ความคิดแย่ๆคุณจะเห็นว่ามันเกิดเองก็ดับเองได้ถึงแม้เกิดบ่อยดับบ่อยให้เห็นอย่างน่ารำคาญในที่สุดคุณจะรู้ว่า มันเป็นเมฆหมอกและเงาดำแปลกปลอมที่จอนมาแล้วจอนไปไม่ใช่หน้าที่ที่คุณจะต้องเสนอหน้าไปรับผิดชอบแต่อย่างใด 3. ให้เฝ้าสังเกตว่าคุณมีใจยินดีไปกับความคิดร้ายๆบ้างหรือไม่ตอนยินดีกับความคิดร้ายๆคนเรามักยิ้มอยู่ในหน้าหรืออย่างน้อย ก็เกิดความมันเขี้ยวอยู่ข้างในอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสำรวจตรวจตราหากพบว่าครั้งใดที่คิดร้ายๆแล้วเกิดความยินดีก็ต้องเตือนตัวเองให้ทันว่านั่นเป็นอกุศลนั่นเป็นโทษนั่นจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังแค่คิดเหมือนเล่นๆก็ได้แล้วจิตจะค่อยๆฉลาดขึ้นเองวันต่อวัน สืบเข้าไปถึงต้นเหตุคิดว่าจะทำอย่างไรให้เปลี่ยนความคิดจากอากุศลเป็นกุศลได้โดยไม่ต้องฝืนใจยกตัวอย่างเช่นที่เป็นกันมากในสังคมเมืองคือการเกลียดชังหรือความรู้สึกริษยากันในที่ทำงานขอให้ลองตั้งมุมมองใหม่มองแง่ดีที่คู่อริเราเขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ถ้าไม่มีแง่ดีให้มองเลย ก็อาจต้องทำใจไปอีกแบบหนึง่งคือเห็นเขาเป็นแบบฝึกหัดหรือเห็นเขาเป็นตัวกแกล้งให้จิตใจคุณตกตำ่ำคุณกำลังเล่นเกมหดโหดเกมหนึง่งที่มีตัวกแกล้งอยู่กลาดเกลือนพอพิจารณาได้อย่างนี้ก็สุดแท้แต่ใจคุณเองละ่ะว่าจะยอมติดลบหรือเอาคะแนนเพิ่มโดยมากเกมชีวิตจะไม่มีเสมอตัวมีแต่ลบกับบวก ถ้าลบก็ลบมากถ้าบวกก็บวกมากหากวันหนึ่งคุณสะสมแต้มได้มากถึงขีดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความอบอุ่นใจมีความสุขอย่างใหญ่กับการมองแต่แง่ดีคุณจะรู้สึกเหมือนเล่นเกมมาจนได้โบนัสและโบนัสนั้นก็คือความสุขที่ซื้อหาจากไหนไม่ได้จะดีแค่ไหนถ้าคนเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมาก และไม่ต้องทรมานใจกับศัตรูในหัวคือความคิดร้ายของตนเองถามถ้าคิดไม่ดีโดยไม่ตั้งใจจะถือเป็นกรรมที่ต้องได้รับผลไหมครับตอบตอนที่มันผ่านเข้ามาในหัวเป็นแวบแรกแล้วคุณยังไม่ทันลงยินดีไปกับมัน ยังไม่สะใจยังไม่เอามาคุ้นพิดต่อราวกับเห็นเป็นเรื่องถูกต้องตรงนั้นยังไม่ใช่กรรมที่มีเจตนาหนักแน่นเป็นประธานเมื่อขาดเจตนาที่หนักแน่นเป็นประธานโอกาสที่จะต้องรับผลกรรมก็น้อยเต็มทียกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นโอกาสเอาของในสํานักงานมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีใครรู้เห็นคุณเกิดความอยากขึ้นวูบหนึ่งอย่างแรง แต่วินาทีต่อมาคุณรู้สึกผิดและเชื่อความรู้สึกผิดนั้นห้ามใจตัวเองไม่ให้ขโมยของอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะมันเป็นแค่ปฏิกิริยาของกิเลสตามปกติปล่อยให้มันผ่านา น, านไปได้เลยความคิดใดยังไม่เติบโตขึ้นเป็นความตั้งใจลงมือทำจริงความคิดนั้นยังไม่ใช่กรรมที่มีผลรออยู่อย่างชัดเจน ยิ่งความคิดมีกำลังอ่อนเท่าไรผลก็ยิ่งเหมือนพยับแดดมากขึ้นเท่านั้นสำคัญคืออย่าเปิดโอกาสให้ความคิดร้ายๆได้กำลังแก่กล้าจนชนะใจคุณได้ก็แล้วกัน